หลีกไปให้พน้นให้ลูกเมียน้อยเดี๋ยวโดนวันววนควายนะ่ะคุณจะได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องผักด้วยไอพียอ่ยมเฮ้ยข้าพอจะจะผักเองเองจะทําไมข้าฮะผมจะไม่ทําอะไรพี่ยมได้แร้วผมะเป็นน้องคนเป็นพี่ยังไม่รักน้องเลยเองมื่ลูกเมียน้อยข้าไม่เคยนับเองเป็นน้องวะยิ่งงั้นก็เป็นเรื่องของพี่ยมไงพี่ยมจะเห็นผมเป็นอะไรอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของพี่ ผมไม่เคยถือสาพี่ยอมรอกพระเจ้าทรงสอนไว้ว่าสรรพสัตว์เกิดมาบนโลกใบนี้ให้เอื้ออาทรต่อกันรักกันให้มากให้รู้จักให้อภัยต่อกันไอ้ ย, ยิง่งอย่างเลิกภาพได้แล้วพระเจ้าพระเจ้านะ่ะข้าไม่สนใจทั้งนั้นนะ่ะข้าสอนเรื่องป่ากเรื่องท้องของขาต่างหากแล้วพระเจ้าพระเจ้านะ่ะไม่สามารถทําให้ข้าหนักอิ่มท้องได้ไว้ไอ้ยิง่งพระเจ้าทรงให้อภยัย พระองค์ทรงให้อภัยกับทุกคนที่ทำผิดพระองค์ทรงให้โอกาสทุกคนที่ทำผิดไปพระองค์ทรงเอ็นดูทุกๆคนเท่าๆกนันแฮะไอ้เอ่งไอ้เิ่งเอ่งไปไกลๆเท้าก็เลยเขาอยากจะเตะก้นเอ่งแล้วเว้ยเอ่งไปเรียนในโรงเรียนฝรั่งเอ่งถูกล้างสมองแล้วหรือไงเปล่าคุณครูสอนแต่สิ่งที่ดีๆให้กับผมครูให้ความรู้ดีๆให้กับเด็กนักเรียนทุกคนคุณครูสอนให้คนเป็นคนดีด้วยเลือ งั้นเองก็เห็นพวกข้าไม่ดีสิวะจริงไหมเปล่านะผมไม่ได้มองอย่างนั้นสักหน่อยป้าเองพร่มว่าไม่ได้มองแต่ใจของเองนี่สิเนเนเนเนเที่ใจของเองเนี่ยฮะมันต้องคิดแน่แน่เองจะต้องคิดว่าพวกข้านะ่ะเลวแน่นอนผมเปล่าคิดนะพี่ยศเองไม่ต้องมาโกหกเองก็เหมือนแม่ของเองนั่นแหละโกหกหน้าเป็นทาไม่เองดีจริงแล้วก็คงไม่ยอมเป็นมเมียผัวชาวบ้านหรอก พี่ยศพี่ยศพูดอะไรอะอ่าก็พูดอะไรเหรอเองจะให้ข้าพูดซ้ำไหมฮะไอ้ยิ่งก็คือว่าเองไปไกลๆ ข, นะข้าเลยนะไปไกลๆเท้าข้าเลยไปเลยไปจะเตะก้นกวาให้ใกลก้กุิลเองซะเลยดีไหมฮะไม่นะพี่ ไม่ก็ใส่หัวไปไปนี่พี่ยิงว่าไงเราเย็นวิ่งมานี่เหอะอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยพวกนั้นน่ะมันพวกอันธพาลชัดๆอ๋ออ๋ออเย็นเอ็งพูดแบบนี้เท่ากับว่าหาวพวกข้าทุกคนสิบะกองบรรลุไม่จริงล่ะอันธพาลทุกคนแหละแกล้งได้แกล้งดีกับน้องกับนุ่งที่กับคนอื่นไม่เห็นจะกล้าไปแก้เลยนะเย็นนี่เฮ้ย อ, ออกมาดิเดะออกมามายืนตรงหน้าข้าเดะ เขาะให้เองลิ้มรถเท้าคาสเคียงเรื่องอะไรออกไปหาพี่เยี่ยมก็โง่เป็นควายแล้วเองที่วอนจริงๆฝ่าก่าก่อนเธอเองไอ้เย็นอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ฮะไต่ให้น่วมเลยผม <c oughs> ไม่กลัวพี่เยี่ยมหรอกทอเอ้ยไอ้เย็นนี่เองมาพี่ยิ่งมานี่แล้วไอ้ยิ่งก็เหมือนกันนะทําตัวดัชจริดนะระวังเถอะแหมอยู่โรงเรียนฝรั่งถูกล้างสมองไปแล้ว ถ้าทางกระเดียดไปทางอีตุ ด, ด้วยหรือเปล่านี่ยฮะพรองค์ทรงสอนให้รู้จักให้อภัยผมให้อภัยครับพี่โอ้ไอ้ยงิงมาหาข้าหน่อยสิมันส้อยเหลือเกินอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าข้าฉีกเนื้อเองออกเป็นสึ่งเสียงเองยังจะพูดคำนี้อีกหรือเปล่าต่อให้ผมต้องดนฆ่าตายตรงหน้าพี่เยี่ยมผมก็ยังจำคำสอนของพระองค์ว่า ผมพร้อมที่จะให้อภัยครับพี่เยี่ยมถอยยิงมีตุ๊ดพี่ยิ่งอย่าไปสนใจคำพูดของพวกมันเลยเอ็งอยู่เหมือนกันนอยเย็นนะผมทำไมพี่ยอะเอ็งนะอยู่กับพี่เอ็งตลอดเวลาอย่างนั้นเดี๋ยวเอ็งก็กลายเป็นอีตุ๊บไปอีคนจนได้แล้วถอยผมจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของผม พี่ยงมาเดือดร้อนอะไรด้วยล่ะเอ๊ะหรือว่าพี่ยงมีใจชอบอีกต like ุดเข้าแล้วอย่างนั้นหรือไงนี่ปากดีนะเองไอ้ไอ้เย็นนะแหม่อยากจะเข้าไปตบกระโหลกมันตังเลยว่ะนี่เธอไม่เห็นว่านั่นน่ะเป็นเขตบานของพี่น้อยพ่อข่าแล้วก็จะเข้าไปเพ่นกับบาลให้สาแกิใจเลยไม่แน่จริงนี่นะไอ้เย็นไอ้เย็นเย่อมึงขึ้นไปบนบ้านเถอะพี่ยิ่งแม่ยกกับข้าวรอแล้วนะไปสิเย็นอ ไอ้ลูกเมียน้อยได้กินของดีๆแต่ลูกมีหลวงกลับไปได้กินข้ า, ขาวเช้าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนโว้ยไม่มีหรอกไอ้ความยุติธรรมอะแม่พวกข่านั่นตายซะก่อนพวกข่าก็เหมือนหมาหวนเน่านั่นแหละโว้ยอยู่ตายไปแล้วไอ้เมียน้อยของพ่อก็เห็นใจบ้างหรือเปล่าวะ หรือเก่งแต่วางแผนปอกลอกสมบัติพ่อของข้าอย่างเดียวอะฮะโอ้ยพี่เบีย้อยคนใจดำเลยพูยใช่คนใจดำเลยคนกำลังต mm ิดตามรับฟังละครวิทย uh uh ุรักอภัย นำเสนอโดย Nation e n t ร์ t a i n m e n t อ Three, ออ ร, อรอวรอแล้วรอ thầm t n h nín ซึ่งถึงสายตาเธอมองไม่ซึ่งถึงความบูชาว่าฉันสรทาเพียงใดน้ำหยดลงทิ้ทุกวันหินมันยังกรมแต่หัวใจอ่อนๆของเธอทาตุวสิ่งใดฉันไม่สะทสถานสะเทือนเหมือนหัวใจ ฉันไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขารอดจาสิลมลมหายใจของฉัน w e n e b e w a o t i n g for this o m ยังร่อนแต่หัวใจอ่อนออคงเธอทำดีสิ่งใดจงไม่สะทกสดท้านสะเทือนเหมือนหัวใจจงไม่วันวาห ว, วังใครเขารักเขารอ For <San> what?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 จะท้อจนกลัวจะลงใครโฝโโชคชะตาโหดร้ายมองตัวเองมมีค่ใดที่ยังหายใจอยู่คงเพราะรอวันนี้รอคร้มใจวาดวแต่สุดท้ายก็พบเอเจอคนที่เป็นครงหนึ่งของชีวิตที่า ใจ ควา ฉันชื่นชมและาบซึ้งในครักนี้นะไม่ว่าจะเอะก็รัอ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 แม่อย่าไปถือสาผู้พี่ๆเขาเลยนะครับแม่เข้าใจพวกเขาดีจะ้ะแม่ไม่ถือโทษกดเคืองอะไรพวกเขาหรอกลูกจริงเหรอแม่ก็จริงน่ะสิจะ้ะผมดีใจเหลือเกินที่แม่ผมเป็นคนมีจิตใจงดงามอย่างนี้อพระเจ้าทรงคุ้มครองผู้ที่คิดดีทําดีนะจะ๊ะครับคุณครูที่โรงเรียนก็สอนอย่างที่แม่พูดนั่นแหละครับจะ้ะแม่มีแต่ความรักความเห็นอกเห็นใจพี่ๆของเราแม่ไม่โกรธพวกเขาหรอก ถ้าแม่โกรธพวกเขาแม่จะทํากับข้าวให้พวกเขากินทําไมล่ะจ๊ะจริงไหมจริงครับแม่เป็นผมหน่อยไม่ได้นะแม่อ้าวเป็นลูกเย็นลูกเย็นจะทํายังไงหรอเย็นก็จะไม่ทําอะไรให้พวกเขากินนะสิครับมีปัญญาก็หากินเอาเองแล้วกันไม่พูดอย่างนี้นะลูกก็มันหน้าไหมล่ะแม่ไม่เอาอย่าคิดอย่า ง, งานั้นมันไม่ดีลูกเย็นพูดด้วยความโกรธถูกต้องไหมล่ะฮึก็มันหน้าโกรธไหมฮะแม่ พระเจ้าท่านทรงตรัสว่าคนอารมณ์ดีเดินไปหาทางสําเร็จคนโกรธเดินไปหาความวิบัติลูกเย็นว่ามันจริงหรือเปล่าหึ่งก็คือว่าไหนตอบแม่ทีซิว่าพระเจ้าทรงตรัสได้ถูกต้องไหมก็ถูกต้องครับแม่เมื่อรู้ว่าถูกต้องแล้วลูกเย็นยังปล่อยให้ใจตัวเองโกรธอีกเหรอหึไม่แล้วครับแม่ดีมากลูก ไม่ว่าใครทำร้ายเราหนักแค่ไหนก็ตามก็ขอให้ภาวนาเข้าไว้ให้พระเจ้าทรงมาช่วยพระองค์ท่านทรงเห็นเราท่านต้องช่วยเราแน่นอนแต่ก่อนที่จะให้พระองค์ลงมาช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนแล้วช่วยยังไงครับแม่ก็ช่วยควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นปกติก่อนอยังไงไม่โกรธใครทั้งนั้นทำอารมณ์ให้แจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองแหละลูกครับแม่แม่ทำอะไรครับชุนกระดุมเสื้อจ่ะเออเสื้อใครครับแม่เสื้อของลูกยิงนั่นแหละจ้ะของผมเหรอครับจ้าเออเอาไว้ให้ผมใส่ตอนไหนครับแม่งานวันคริสรต์มาสเนี่ยจ้ะใช่哟วันคริสรต์มาสผมได้เสื้อใหม่แล้วผมขอด้วยนะแม่แม่จะทาให้ทีหลังก็แล้วกันนะ ตอนนี้แม่ทําให้มิธาหลอกจ้ะแม่ผมอยากไปโรงเรียนจังเลยครับแม่ทําไมละจ๊ะก็ผมจะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆมีกระเป๋าหนังสือใหม่ๆแล้วก็มีเพื่อนใหม่เยอะแยะไปหมดเลยครับเอาเธอจ้ะอีกหน่อยอ่ะลูกเกยันก็ได้ไปเรียนเหมือนพี่เราแล้วละจะ้ะแล้วอีกนานไหมแม่ก็ไม่นานแล้วละ่ะอีกสองสามปีก็ได้ไปโรงเรียนแล้วละ่ะจริงๆนะแม่จริงสิจ๊ะคอยดูนะแม่ถึงวันนั้นผมจะต้องมีความสุขมากเลย งานคริสต์มาสผมจ อ, อกไปร้องเพลงให้ดังเลยครับแม่ อไปรือยังล่ะเอาไปแล้วครับแม่กินข้าวให้หมดนะเหลือไว้ถึงเย็นมันจะบูดรู้ไหมครับแต่ข้าวสวยไม่รู้ว่าผมจะกินหมดหรือเปล่าแม่น่าคตใส่เป็นโต๊ะผมเยอะจังเลยครับถ้ากินไม่หมดก็แบ่งให้เพื่อนๆกินมั่งก็ได้ไม่ต้องเหลือกลับมาหลอกอากาศมันร้อนมันอาจจะบูดได้นะลูกอืมผมจะกินกับฝนนะครับที่ฝนน่ะเหรอครับพี่ยิ่งใช่ฝนเรียนห้องเดียวกันกับพี่ด้วยล่ะ พี่ฝนใจดีใช่แล้วฝน ใ, ใจดีมากๆเลยผมเคยได้กินผลไม้ที่พี่ฝนเอามาฝากด้วยครับตอนนั้นน่ะพี่เอามาให้เย็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ว่างๆก็ชวนน้าฝนมากินข้าวที่นี่ก็ได้นายิงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเหรอครับแม่ใช่จ้ะลองชวนมาสิครับผมจะลองชวนดูอาจจะชวนมาในาที่นี้เลยก็ได้นะครับแม่จ้ะแม่ครับจ้ะ ผมขอตามพี่ยิ่งไปโรงเรียนด้วยได้ไหมครับไม่ได้หรอกลูกทำไมครับแม่ขอพ่อพ่อก็ไม่อนุญาตเหมือนกันลูกเย็นนะ่ะไปเกะกะเพื่อนๆ น, น, นเขาเปล่าเปล่าผมไม่เกะกะหรอกแม่แล้วเยิ่งจะไปทําไมล่ะลเย็นจะเรียนอย่างพี่เขาก็ไม่ได้ผมก็จะเข้าไปนั่งในห้องเรียนของพี่ยิ่งด้วยครับเรียนก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะเข้าไปทําไมล่ะก็อยากไปนะแม่เอาไว้ลูกโตก่อนแล้วจะได้ไปทุกวันอย่างพี่เรานี่แหละว้า ไปช่วยแม่ล้างจานดีกว่าลูกเย็นก็ได้ครับและเดี๋ยวก็เอาปิ่นโตไปให้พวกพี่ๆเขากินด้วยเช้านี้ยังไม่เห็นมีใครขึ้นไปเอาปิ่นโตไปกินเลยนะเนี่ยพ่อสั่งห้ามครับแม่อะไรนะจริงเหรอลูกจริงครับทำไมต้องห้ามดิล่ะก็พวกพี่ๆเขานอนตื่นสายพ่อโกรธก็เลยไล่ให้ไปทำงานสั่งห้ามขึ้นมากินข้าวบนเรือ น, นี้ครับแม่แบบนี้ก็หิวแย่สิผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ งั้นเดี๋ยวลูกเย็นเอาบิ่นโตไปให้พวกพี่ๆเขาก็แล้วกันนะโทษเซงเลยผมไม่เอาอย่าพูดอย่างนี้นะก็มันน่าไหมล่ะพวกมันน่ะชอบแกล้งเย็นเย็นน่ะเกลียดเข้าวสอยเลยครับแม่ลูกเย็นคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไฟนี้